แนะนำบทอันนัดบทอันนัดเป็นบทมัคคิยาะมี62องค์การที่พิจารณาเกี่ยวกับสารโดยทั่วทไปและเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและวันขีดมาเช่นเดียวกับบทมัคคิยาะอื่นๆบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเรื่องของอัลมิอรอตซึ่งนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของท่านรอซูลแห่งมนุษยชาติมูฮัมมัดสุลลัลวะเลลสลในการ อเลเมรอดครั้งนี้ท่านหอดซูนได้เห็นภาพลักษณ์ที่ประหลาดอย่างมากมายเป็นสิ่งจําเป็นต้องศรัทธาและเชื่อมั่นไม่บังควรที่จะโต้เถียงในเรื่องที่เป็นสิ่งเร้นลับและในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การของพระเจ้าหลังจากนั้นได้พูดถึงบรรดาจเจว็ตและรูปปั้นที่พวกมุชริกีนเคารพ บ, บูชาและได้ชี้แจงถึงข้อเสียและความไม่ถูกต้องของบรรดาพระเจ้าจอมปลอมเหล่านั้นและความไม่ถูกต้องของการเคารพ บ, บูชาอื่นจากอเลอ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเคารพ บ, บูชาบรรดาจเจวิตหรือการเคารพบรรดามาลิ ก, กาก็ตต์บทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานการตอบแทนอย่างยุติธรรมว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะไม่ได้รับการตอบแทนอื่นใดนอกจากผลงานและการผลหวายของเขาเท่านั้นและชีวิตหนึ่งจะไม่ได้รับความผิดของผู้อื่นเพราะว่าการลงโทษจะไม่ล่วงเกินไปอย่างคู่ที่มิได้กระทําผิดซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เที่ยงธรรมของขอลัลลอฮฺ และเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมซึ่งพระองค์ได้ทรงชี้แจงไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและบรรดาคำเพีก่อนๆที่มาจากฟากฟ้าบทนี้ได้กล่าวถึงอนุภาพของอัลลอ์ในการให้มีชีวิตและการให้ตายการฟื้นคืนชีพหลังจากการดับสูญของชีวิตการให้มั่งมีและการให้ยากจนและการสร้างคู่ครองที่เป็นเพศชายและเพศหญิงจากอาสุจิ บทนี้ได้จบลงด้วยการที่ประชาชาติต่างๆในอดีตประสบกับความหายนะเช่นกลุ่มชนของอาร์สมูธนัวและลูดด้วยการลงโทษและความทินาที่ต่างกรรมต่างวารรคท้งนี้เพื่อเป็นนิทัตปูทาหอนแก่พวกปฏิเสธชาวมักกะซึ่งการลงโทษกําลังรอคอยพวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธต่อการเป็นาศาสนาทูตของมุฮัมมัดสุลลลลฮุอะไลวะสัลลัมเพื่อเป็นการลงโทษกับบรรดาผู้ฝา่า ฝ, ฝ, ฝ, ฝืนทรยศ และหญิงยะโสไม่ยอมรับสัจธรรมที่มัวมัดสลลลวะเลวะสลัมนำมาเผยแผ่ด้วยพระนามของ a l l a ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันตกลงมา สหายของพวกเจ้าคือมวงมัดไม่ได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ถูกและเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์อินั ว, อ, วยยอิลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมา ผู้ทรงพลังคือยิบรอีนได้สอนเข า, รราผู้ทรงพลังอันแข็งแรงดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริงมมาาขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่งแล้วเขาได้เข้ามาใกล้และเข้ามาใกล้ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันูสแล้วเขาได้เข้ามากล้และเข้าชมากล้ชุดาาชี เขาเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะของปลายคันธนูทั้งสองหรือใกล้กว่านั้นอีกอา า, า, ด, า, า, าดังนั้นเขายิบรอยอินจึงนำมาให้แก่บ่าวของพระองค์ซึ่งสิ่งที่เขานำเป็นองค์การม า, มา กิจ ใ, ใจของมฮัมหมัดไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็นแล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือและโดยแน่นอนเขาได้เห็นยิบรอีนในการลงมาครั้งหนึ่ง ณที่ต้นพุทศาอันไกลโพน้นอินดหาจนตุลม أ วาหน้าที่นั้นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่ผมนักอิดยรรชิดรตมายรรชาธนาดนั้นสิ่งที่ปกคลุมแสงประกายได้ปกคลุมต้นพุสศานาจากลบสรวะมาตา สายตาของมัวหมัดไม่ได้เหลือบมองไปทางอื่นและไม่ได้ล่วงเกินไปและโดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วพวกเจ้าไม่ได้เห็นอัลลาตและอัลอุซจาและตัวที่สามอีกคือมานาตดอกหรือ อละคุมุดดะครวละหุลอมฟาสะดับพวกเจ้ามีเพศชายและสำนับพระโรงให้เพศหญิงกระนั้นหรือทิลคอิดักิสมตินดีดาดูสินั่นเป็นการแบ่งส่วนที่มายุติธรรมเลยอินฮียอิลลาอสนาอันสัมมัทุมูหา أسماء سميتها م و أنتم وأباكم ؤ ما أنزل الله بها من سلطان إيتبعون إي إلا ا ل ظ ن وما ت ه و ى ا ل أ ف س ولقد ج ا ء ه م من ر ب ه م ا ل ه د ى เหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นชื่อพวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าตั้งมันขึ้นมาเองอัลลอฮ์มิได้ทรงประทานหลักฐานบันใดลงมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและสิ่งที่อารมณ์ปรารถนาและโดยแน่นอนแนวทางที่ถูกต้องจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มีมาอย่างพวกเขาแล้ว หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถน า, า, ลล า, าอำนาจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอทั้งในประโลกและโลกนี้ และมนลดกที่มากน้อยในบรรดาชั้นฟานั้นการช่วยเหลือของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยเว้นแต่หลังจากอัลลอฮจะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่โปรงทรงประสงค์และทรงขอพระทยัย ถ้าจิงบรรดาผู้ที่ไม่สรัทธาต่อวันประโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมาลลยกาเป็นเพศนี้ว่ามาลห์มบิฮีมินอิลมินอียัตบิยุนอิลลับัน และพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและแท้จริงการคาดคะเนนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่ความจริงได้เลย ดังนั้นเจ้าจงหลบหลีกให้ห่างจากผู้ที่ผิดหลังจากการดำลึกถึงเราเอาลัลลอะ์และเขาไม่ได้ปรารถนาอื่นใดนอกจากการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้เท่านั้น นั่นคือสุดยอดแห่งความรู้ของพวกเขาแล้วแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์ และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในทางนําที่ถูกต้องานบและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอลัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทําความชั่ว ตามที่พวกเขาประพฤติและทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความดีด้วยความดีอบ วะอิบอันตุมอจินมะธุมฟีบุตูลอมมหาธิคุมฟาลาฟุจักษูอันฟุส كم หัวอ่าลมบิมนิตตกาแก่บรรดาผู้ออกห่างจากการทำบาปใหญ่และสิ่งลามกทั้งหลายเว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยแท้จริงพระผู้พิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางในการอภัย พระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่งเมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากดินและเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในคันมารดาของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าอย่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเองพระองคทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกรงเจ้าได้เห็นผู้ที่ผินห ล, ลังให้บางไหมและเขาให้เพียงเล็กน้อยและเขาได้ตระณี ส่่วนทีเหลือเขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือเขาจึงได้เห็ น, นหรือว่าเขาไม่ได้รับข่าวคราวที่มีอยู่ในคำภีของมูซ า, า, ลลาและในคำภีของอิบราฮิม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบท่วนว่าจะไม่มีผู้แบบภาระคนใดที่จะแบบภาระของผู้อื่นได้และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้าววอ และถ้าจริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้าและเขาจะรับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วน และแท้จริงจุดหมายปลายทางของเขาย่อมไปสู่พระผู้พิบาลของเจ้าว่าอและแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทําให้หัวเราะและทรงทําให้ร้องไห้ว่าอและแท้จริงพระองค์ผู้ทรงทําให้ตายและทรงทําให้เป็นว่าแท้จริงพองค์ผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เปน ตตและแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีปัญญาคู่หนึ่งคือเป็นเพศชายและเพศหญิงจากเชื้อสุจิเมื่อมันหลั่งออกมาและแท้จริงเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง และแท้จริงพระองค์ทรงทำให้เขาร่ำรวยและทรงทำให้เขายากจนรบและแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวอัชชะรวะ ه ه อวและแท้จริงพระองค์ทรงทลายพวกอารุนณ่อดและพวกสมุทรก็ไม่ให้มีเหลือ อยูอลยและกลุ่มชนของนัวก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อาธรรมยิงและเป็นผู้ละเมิดยิงและเมืองที่พิดความลงนั้นพระองค์ทรงทำให้มันถล่มลงเท่านั้น สิ่งที่ครอบคลุมมันก็คือการลงโทษก็ได้ครอบคลุมมันดังนั้นความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของเจ้าอันใดเล่าที่เจ้ายังสงสัยอยู่าา น, นี่คือผู้ตักเตือนที่มาจากปวงผู้ตักเตือนรุ่นกอ่อน เวลาที่ใกล้เข้ามาวันกิยามะได้ใกล้เข้ามาแล้วไม่มีผู้ใ ด, ดจะปัดเป๋่าออกไปได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคำกล่าวนี้อีกหรือแต่พวกเจ้ายังคงหัวเราะ และยังไม่ร้องไห้และพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัวแต่นั้นพวกเจ้าจงกราบต่อล l ะ a h และจงคารพพักดีต่อพระองค์เถิด